<c oughs> ภาวนาให้ซ่อมเจาของเด้อให้ซ่อมเจ้าของซ่อมยีรยาอาการเจ้าของพุ่มสิวคว่มสิจาการเคลื่อนไหวทั้งหลางทั้งกายเนี่ยการไปการมาให้ซ่อมเจาของแล้วก็ซ่อมเลิกไปหัดใจคุซ่อมเบิงเข้าสิวหยัง่ง เขาคืดห้องหายิจและหน้าจะเปหา้อมห้หูเมือ่อจะของว่าจะของออกอิวว์เนียงขันอารมณ์ยังมาจากบผูใดบอกมาคืดมวนคืดยาาิ่นดีนั่คืมนนยย ด, วคดมวนัอางอย่าทรงใจเดกับยินดีกับมวนอ้างเธอวหูจักซ้อมอยู่ของนึงเพราะเขาบอกอยังมาถือใจหัวเออเออเอาคือนันสันเียกว่าบทสัรวมอยู่ของ น, น บดสงมวับดสําร่วมบดซ่อมเก็บของอันผู้ซ่อมเก็บของนั่นมันอยียงมากกระทบเสียงมากเสียงเขาวาบ่มวนเขาย่องเขาสมเขาเต้เกิกําหนดจิตหนึ่งไว้ใดเนี่ยซ่อมไปบ่ให้มันแก่มันเปลี่ยนอนนั่นละ่ะพ่วมสงบพ่วมสําร่ว ม, วา ม, วมาตาพดเป็นพ่วมงดงามอันนั่นล่ะวิธีวิธีภาวนาเป็นนี่กัน ท่านให้มันซ้อมอยู่เรื่อยมันสังเกตจะคของอยู่เรื่อยมันจะกิได้ระว่างจะคลองนะเนี่ยควมระว่างเนี่ยเป็นแนวดีเป็นคุณธรรมดีร้ายควบระมัดระว่างแต่มันสัดสิจำเะ็นยันล่ะตาห้เลี้ยงไปนี่เลี้ยไปโทรโลที่ซนี่ใจทรงไปนั่นแน่นข้กํานดใจญ่เี่ยจะคลองนะเนี่ย เห็นยัง ก, ก็ตามให้เฝ้ากลับมาซ่อมเจ้าของซ่อมใจใจ่คืออะไรเพ่าใจมันตรงไปบ่ใจมันไปโซอ้อนบ่จริงๆแล้วการภาวนาเราเอาน้า ม, มูนี่แหละจะเอาเจน๊นําบัดน้ำเหมือนแรงมานั่งสมาธิน้ำมูไหว้พระแล้วนั่งสมาธิคือไหว้พระแล้วนั่งสมาธิน้ำมูหน่ยจะเป็นภาวนาเห้โวยมันได้น่อยเดียวนี่ส่น อ้างเธอก็บบอดาซั่มอันนันอารมณ์ยังมากรนะทบนสีย่ยงเส่ผู้ไดเว้ายังมากเป็นเจ้าห้เป็นจะาสร้งเปรี้ยะหุ่นหวยมันไม่เปียกนั่นใหญ่เข้ามโนนหวยบอมันชรางขบอมันเียขบอมันเครื่องขบวันพอซ่อ ม, มองวงไกเจ้าของอดหันผู้บดซ่อมบลวังเนี่ยขบอข อ, อยังมากพงออกไปเลยน พวงออกไปโรดโตต่อไปโรดเช่นันเ่นนันเรียนว่าบ ok ่มีการซ่อมเจ้าของบ่มีการปฏิบัติธรรเลยเช่นเนนค่วมตื่นข่วมธรรมะขอตนตนกับบ่ได้อยูย่ไปโดนกันแด้กับบ่ได้กันที่บ่แน่นะอยู่ไปจนว่าแปดทิเ้าทิ 7, จนว่าตา ย, ายกั บ, บ่ได้หรอกสิจัมพัชันงักอ๋อื้นมอดู สติสำมปชัญญะนี่หละ้องต้นต้นนี่แหละแันบวหัดเอาเช่นี่แหละตายทิมไม่ได้อกไม่ได้ยังพึกเอานี่แหละสติสติคือความรลึกนี่พึกให้มันระลึก ล, ลึกให้มันเป็นระลึกมาห า, จาเจ้าของยสิรอยแต่นํานันร้อยไปนํานี่นีนน่แล่ะเป็นประชุสติสพันพึกสติแล้วโดนโดนเผามันติด ซ้อมเจ้าของมันสิหัวเมื่อเจ้าของอยู่เลยนี่คว่าสติสัมปชัญญะมันเกิดมันหนี้แต่สติสัมปชัญญะมันเข็งแข็งคือมันอยู่มันหี้อยู่เรื่อยโอกาสที่เข้าสีเทดบาศหน่อยลงห่อเด้ดีคือโลดใจก็ทิ่แข็งแข็งแเนี้ยเซึ่งมันสิรัดกลุ่มนั่มว่มีห้อยแต่ว่ห้อยก็มันก็รัดกลุ่ม วันนี้คุณทรรมแนวอื่นมื่กี้กำลังเทน้ำกลนมาหานเนี่ยขันเท้าบ่มีสตีขันไปแ่นี่ละกลุ่มแลยเกิดขึ้นมาเมื่อกันนี้เกิดขึ้นมารกรลุดเฮียไปฮะขันเท้ามีสตีขันไปแคเนี่ยจำนดสติดจำนดสใจเดือพร้องเรื่อยนี่ไม่อห็นงมันเกิดมากมันก็้ย่งกระยูสามารถที่เกิดคุณธรรมต่างๆถึงมันจะเกิดมากมันกียูได้ห อเอาคือจึงเขาตั้งใจอยู่นี่แหะรักษาเจ้าของอยู่นี่นี่ยเอาทันไสมาเบอกมาดามันยังใจเตาเคยวูบว่าพูดว่าคุณไปดามันตอบซึ่งปล่อยเส้นแทงมาเนี่ยันสติท่าประเทียนเขาดีแล้วนี่สงบนี่งดงามอยู่ตลอดควมงดงามควบงงามของเข้าควมสงบแต่ยังของเขายังมีอยู่ตลอดเนี่ยเนี่ยควมดีของเขามันยั่งอยู่ด้ฮะนี่มันมันดีขนาะ ทันภาวนานี่ยแต่ว่าซ่อมเจ้าของซะมิธีภาวนาันมีี่ซ่อมเจ้าของแต่แต่เก่าอย่างนี้จะไปซ่อมพือ้อแรนั่นแหละซ่อมมือนิ่นซ่อมผู้อื่นผู้นั่นย่างมาหันผู้นี่ย่างมันนี้ผู้นั่นแป้งโต้บดีผู้นี่เป็นตาสังพรังรเสือเขาบอท่านเป็นตาตังหรือพื้นแแท็กี่มันเป็นตาตั้งหอะนั่นแหละนะครัว่ามันซ่อมเจ้าของ ซ้อมได้บ้างนี่ซอมเจ้าของกันจักเส็นวนนะกัอยักเส็นก็บข้ายู่นี่แหละค้ายิโรกนี่ละ่ะกินเอเดสเอาลาดินูเขาเอาไปชี้เข า, เาไปเผาเนี่ละ่ะเม่เม่นฮัดเอาโวเนวมนสุบสูบสูบตนเขามากเขาจิเป็นกับฮัดเผาลงปูเทปคนจึเป็นเพราะหน้าคนก็ไปยืนนําอาจารย์คนจึงกัฮัดเอาฟองเฟินอาจารย์บอกแล้วคนกัฮัดเอา การไปภาวนาต่ยไปกับผู้บาอาจารย์ไปกับลงปูมันเพื่อจะภาวนาชองเปิดเพิ่อจะแยกเหตุช่องเปิดมันก็เจ็บเอาได้ไผ่ได้มั่นเยมันก็ตาไผก็ตามั่นอยู่แล้วแน่ส่เจ็บเอาก็มอยูเข้าบอกเจ็บเอามิเตเรนเซินไปเซินมากนะไม่เข้าไปคิดใจโอมอยูก็เปิดของเสินี่แหละเชินไปซ่อมผู้ฝนสังเกตผู้ี่อยู่เลยยังยัมากกับขลาดออกไปโลดเรจะเห็นยันกับขลาดออาไปโลดจรงจี มันก็บรรักษาตัวเจ้าของยุคเกอาบบรางเกตบัซ่อมบมระมัดระวังเงบบงจ้าของบับสัมร่วมเนี่ยคิดไหมได้บา้างการภาวนาเป็นการสัร่วมเจ้าของการสัร่วมกายว่ายาใจใจบางคนมกักเบาแต่แเ่ได้ไ่เป็นดอกเป็นสน